ต่อมากิติศัพท์ชื่อเสียงที่งดงามของพระโพธิสัตว์ขจรไปว่ามหาโควินตพรามเนี่ยเผชิญหน้าเห็นพรหมคือคนเนี่ยนะพอมันคนนับถือสักการะมากมายเข้าก็เริ่มอับโลกเนี่ยนะเริ่มเสกขุนที่ไม่เป็นจริงให้นะเรียกว่ารุ่นลูกศิษย์เสกไงลูกศิษย์ก็เสกขึ้นว่าเนี่ยมหาโควินตพรามเนี่ยเห็นพรหมไปแล้วกว่าะงั้นมหาโควินทพราม สามารถเผชิญหน้ากับพรหมสนทนากับพรหมพูดจาปรึกษางานกับพรหมถ้าไม่คุยกับพรหมท่านจะเก่งขนาดนี้รือเนี่ยนะแสดงว่าท่านคุยกับพรหมแน่นอนท่านจึงเก่งขนาดนี้ทุกคนก็คุยกันว่าพระโพธิสัตว์เห็นพรหมพระโพธิสัตว์เกิดมาก็ไม่เคยเห็นพรหมซากทิงนะแต่ว่าคนเนี่ยมายกย่องว่าเราเนี่ยเจอพรหมเห็นพรหมตอนหลังพระโพธิสัตว์ก็อยากจะเห็นพรหมจริงๆริเขาก็เลยไปบำเพ็ญพรหมวิหารอยู่ตลอดสเดือนในฤดูฝน นะตั้งใจว่าตอนนั้นอะ่ะท่านก็ลาลาพระราชาเจ็ดองค์ลาพระมหาสารลาขราชบริวารลาบุตรภรยาถามว่าโควินทรา ม, มีภรยาเท่าไหร่รู้ไมสี่สิบนางมีเมียอยู่สี่สิบคนเองนะแล้วก็ลาบุตรลาภรยาเข้าไปเจริญพรมมิหารอยู่4ี่เดือนตั้งใจว่าตั้งใจที่จะเห็นพรม พอเจริญพรหมวิหารอยู่เกือบจะออกันเกือบครบสี่เดือนนะยังไม่เห็นวี่แววว่าจะมีพรหมมาหาเลยพระโพธิสัตว์นี่เศร้าใจเลยนะตอนหลังสนังกุมารพรหมก็รู้ใจของพระโพธิสัตว์ก็เลยเข้ามาเฝ้านะสนังกุมารพรหมรู้ความคิดก็มาปรากฏพระโพธิสัตว์พอมองเห็นพรหมก็บอกว่าท่านผู้นิรุต์ท่านเป็นใครหนอจึงมีผิวพธุ์มียศมีสิริข้าพเจ้าไม่รู้จากท่าน จึงถามข้าพเจ้าจะรู้จักท่านได้อย่างไรท่านเป็นใครเนาะจะรู้เรียกได้อย่างไรสนังกุมารพรมเมื่อจะแนะนําให้พระโพธิสัตว์รู้จักตนก็กล่าวว่าท่านโควินทะทวยเทพทั้งปวงรู้จักข้าพเจ้าว่าเป็นกุมารพรมอยู่ในพรหมโลกมาแต่เก่าแก่ขอท่านจงรู้จักข้าพเจ้าด้วยประการชนี้เถิดเธอสนังกุมารพรมเนี่ยเขาเรียกว่าพรหมกุมารใช่ไหมพรหมเด็ ก, ดกๆประาณนั้น คือที่เรียกว่าพรหม ส, สนังกุมารพรหมเขาเป็นเด็กเลี้ยงโคเป็นเด็กเลี้ยงโคที่ได้ฌานตายแต่ยังหนุ่มก็เลยไปเกิดเป็นพรห ม, มโลกเขาก็เลยเรียกชื่อว่าสนัสนงกุมารพรหมเนี่ยนะดูถูกเด็กเลี้ยงโคไม่ได้นะเด็กเลี้ยงโคเจริญได้ฌานแล้วไปเกิดในพรห ม, มโลกแลก้วก็เขามีหลายสูตรนะสนังกุมารพรหมเนี่ยมาอยู่ในเกี่ยวกับเรื่องสนังกุมารพรหมมีอยู่ในมหาโควินทสูตรเนี่ยนะ พระโพธิสัตว์ก็ถามพรมว่าเออกล่าวปฏิสันถานกับพรมว่าข้าแต่ท่านผู้เป็นพรมข้าพระเจ้าขอต้อนรับท่านด้วยท่านผู้เจริญด้วยอาสนะด้วยน้ําด้วยเครื่องเช็ดเท้าและด้วยผักผสมน้ําผึ้งขอได้โปรดรับของมีค่าอันเป็นของข้าพระเจ้าด้วยเถิดพรมแม้ไม่มีความต้องการด้วยข้าวของอันนั้นที่พระโพธิสัตว์เอามารับแขก น, นะ ที่พระโพธิสัตว์นำเข้าไปให้แต่ก็ยินดีจะรับเพื่อความเบิกบานใจของพระโพธิสัตว์ทั้งๆ ท, ที่ก็พรมนี่ก็ไม่ได้กินผักผสมน้ำผึ้งอะไรหรอกแต่ก็รับเพื่อให้กำลังใจ่า ง, งนและเพื่อทำความคุ้นเคยกันไอการรับของบางอย่างเนี่ยการรับเพื่อความคุ้นเคยกันนะไม่ได้รับเพราะต้องการของอันนั้นพรมก็เลยตอบว่าท่านโควินทะข้าพเจ้าขอรับของมีค่าที่ท่านบอก ทนพระพรหมเนี่ยเมื่อจะให้โอกาสแก่โควินทพรามก็กล่าวว่าข้าพเจ้าให้โอกาสท่านจงถามสิ่งที่ท่านต้องการจะถามเพื่อประโยชน์ในภพนี้และเพื่อความสุขในภพหน้าสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ในภพนี้สิ่งใดที่มีประโยชน์ในภพหน้าถามมาเถอะพระโพธิสัตว์ก็บอกว่าในโลกนี้ประโยชน์ในโลกนี้เนี่ยนะที่เราไม่รู้ไม่มีคนทั้งหลายเข้ามาถามเราก็ถามแต่ประโยชน์โลกนี้ทั้งนั้น แต่เอาเถอะเราจะถามถึงประโยชน์ในโลกหน้าก็เลยถามประโยชน์โลกหน้าอย่างเดียวว่าข้าพเจ้าผู้มีความสงสัยขอถามท่านสนังกุมารพรหมผู้ไม่มีความสงสัยในปัญหาอันปรากฏแก่ผู้อื่นว่าสัตว์ตั้งอยู่ในอะไรและศึกษาอะไรจึงจะถึงพรหมโลกอันเป็นอมะตะสมัยนั้นศาสนาพราหมณ์ก็ถือว่าอมะตะก็คือพรหมโลก พรมโลกคือดินแดนที่สูงสุดเมื่อบุคคลไปอยู่ณที่นั้นแล้วนี่รันดอนเนี่ยนะไปอยู่ณที่นั้นแล้วถาวรนะนะมันก็ถาวรจริงๆนะอยู่เป็นกับนะกับเนี่ยนะไปอยู่เป็นกับกับไอของเราสร้างของอายุยี่สบสาสิปีก็ยังเรียกว่าสร้างถาวรนะวัตถุเขาว่างั้นนะถ้าเทียบกับดอกไม้ที่มันเฉาไวๆใช่ไหมสร้างกุฏิก็ได้เลยเรียกว่าถาวรนะวัตถุแต่ทั้งๆที่มันไม่ถาวรอะไรเนี่ยนะครับพรมโลกนี่อายุนานกว่านั้นมากมาย เ็เลยเรียกพรห ม, มโลกว่าอมะตะแต่จริงๆแล้วตามพระพุทธศาสนาก็บอกว่าประชั่วคราวนะเขาเรียกว่าภพใหญ่เท่านั้นเองพรหมเมื่อจะตอบปัญหาให้แก่พระโพธิสัตว์ถึงทางไปสู่พรห ม, มโลกนะถ้าท่านปรารถนาจะไปเกิดเป็นพรหมนะก็บอกว่าท่านผู้ประเสริฐท่านละความเป็นของเราในสัตว์ทั้งหลายท่านจะต้องละความยึดถือว่าเป็นของเราให้หมด เป็นผู้อยู่แต่เพียงผู้เดียวน้อมไปในกรุณาหมายค่ะว่าละความยึดถือในสัตสังขารละทุกอย่างไปอยู่แต่ผู้เดียวนะไปเจริญกรุณาไปเจริญกรุณาที่ไม่มีกลิ่นดิบคือกิเลสแล้วก็ต้องเว้นจากเมถุนตั้งอยู่ในธรรมะเหล่านี้ศึกษาอยู่ในธรรมะเหล่านี้ย่อมถึงพรหมโลกอันเป็นอมะตะหมายคว่าถ้าท่านเนี่ยนะหนึ่ง เลิกละความยึดถือว่าเป็นของของเราทั้งหมดไปอยู่คนเดียวนะอยู่คนเดียวและเจริญกรุณาเจริญกรุณาเมื่อศึกษาอยู่อย่างนี้เป็นไปอยู่อย่างนี้ท่านจะเข้าถึงพรหมโลกคำอธิบายเพิ่มเติมว่าบทว่าหิตวามมมตังคือสละตัณหาอันเป็นเครื่องอุดหนุน ให้เป็นไปอย่างนี้วันนี้ของเรานี้ของเราถ้าท่านปรารถนาพรหมโลกท่านจ้องอะไรนะต้องละไอ้ของที่มันอยู่ในมนุษยโลกเลิกสําคัญว่าของในมนุษยโลกเป็นของเราแล้วก็ไปอยู่แต่ผู้เดียวไปเจริญสมาธิให้จิตเป็นอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิไปอยู่เจริญพรหมมิหารแล้วก็ต้อง นิรามะคันโทก็คือต้องไม่มีกลิ่นที่น่าเรื่อนรมก็คือกลิ่นที่เป็นพิษหมายถึงกิเลสเนี่ยนะถ้าเป็นมหาโควินทสูตรบอกไม่มีกลิ่นดิบสรุปว่าไปอยู่เจริญพรหมวิหารถ้าท่านเจริญพรหมวิหารปฏิบัติตามนี้ได้เป็นผู้มีศีลดีมีทํางานเจริญพรหมวิหารท่านก็ถึงพรห ม, มโลกลําดับนั้นพระมหาบุรุษพอได้ฟังคําของพรหมนั้นก็รังเกียจด้วยกลิ่นอันเป็นพิษคือบาปอากุศลก็กล่าวว่าข้าพเจ้าจากบวชในบัตรนี้ละ่ะ แม้พรมก็บอกว่าดีแล้วท่านมาหาบุรุษท่านจงบวชเถิดเมื่อเป็นอย่างนี้การที่ข้าพเจ้ามาหาท่านก็เป็นการมาดีทีเดียว น, นะถ้าพรมลงมาแล้วก็คนที่เห็นพรมออกบวชนี่ก็ถือว่าสมความประสงค์ของพรมที่มาหาใช่ไหมเพราะฉะนั้นพ่อเจ้าประคุณพ่อเป็นอัครบุรุษอัครแปลว่าเลิศเป็นบุรุษผู้เลิศทั่วชมพูทวีปยังอยู่ในปฐมวัย เชื่อว่าการละสมบัติและความเป็นใหญ่ถึงอย่างนี้ออกบวชเป็นความประเสริฐอย่างยิ่งดุดคันทหัรถีทําลายเครื่องผูกที่ทำด้วยเหล็กกลับไปป่าฉนั้นเหมือนอะไรเหมือนช้างตัวประเสริฐที่สามารถเนี่ยกระตุกทีเดียวโซ่ขาดหมดแล้วก็กลับไปอยู่ที่ป่าตามเดิมอย่างนี้นี่แหละชื่อว่าเป็นเชื้อสายของพระพุทธเจ้านะเชื้อสายพระพุทธเจ้าผู้ที่เป็นพระพุทธเจ้าเขาก็จะต้องมีการบวชเหมือนกัน คือสนังกุมารพรเนี่ยนะรู้นะว่าบุคคลเนี่ยคือเป็นเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยนะคือรู้ว่าเป็นบุคคลที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าต่อไปในอนาคตสนังกุมารพรเนี่ยเขาเป็นพรมานานหนักหนาแลยนะเป็นพรมเก่าแก่นะเพราะว่าแม้กระทั่งชาติที่เป็นมหาโควินทพรามก็เป็นก็เป็นพรมพระพุทธเจ้าเวียนว่ายตายเกิดอยู่ตั้งหลายชาติตอนมาเป็นพระพุทธเจ้าเขาก็ยังเป็นพรมอีกเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าเรียกว่าสนังกุมารพรเนี่ยนะ หลังจากที่พรมสั่งสอนแนะนําให้ละสมบัติ น, นนะก็คือสอนให้เจริญเนฆะมมะบารมีมีกี่ข้อสิบทานศีลต่อไปนะถ้าท่านปรารถนาจะให้ศีลดียิ่งยิ่งขึ้นไปท่านก็ต้องออกบวชแล้วก็เจริญเนฆะ ม, มะคือสมาธิเป็นต้นพระโพธิสัตว์ก็คิดว่าเราจะออกจากเมืองนี้ไปบวชเสียที่เดียวก็เป็นการไม่สมควรใจจะบวชละ แต่ว่าเราก็ยังสั่งสอนอัดสอนทำแกราชตระกูลอยู่เพราะฉะนั้นเราจะต้องกราบทูลลาพระราชาหากว่าพระราชาเหล่านั้นจะบวชบ้างก็เป็นการดีทีเดียวใจจริงก็จะบวชแต่จะบวชเลยก็ยังถือว่ายังรับราชการอยู่นะฉะนั้นจะต้องบอกลาพระราชาแต่ถ้าจะให้ดีพระราชาต้องบวช ด, ด้วยสิจึงจะดีก็เลยบอกคืนตำแหน่งปุโรหิตของเราก่อนแล้วค่อยบวชก็เลยทูลแกพระราชาเรณุก่อน พระราชาเรนุเนี่ยปลอบโยนด้วยกามมากมายก็คือเขาเล่าว่าพวกพรามเนี่ยมันต้องการทรัพย์สินเพิ่มทรัพย์ให้ก็คงไม่บวชแล้วมั้งก็เลยเพิ่มทรัพย์ให้อีกบอกไม่เอาเอแสดงว่าต้องการผู้หญิงก็เพิ่มผู้หญิงให้อีกสรุปว่าไม่เอาฉันจะเพิ่มอะไรก็ไม่เอาจะบวชอย่างเดียวว่างั้นเสร็จแล้วก็ไปลาพระราชาที่เหลือทั้งหมดที่ที่เหตุที่จะบวชก็คือทูลเหตุเหตุถึงความสังเวชของตน แล้วก็ประสงค์จะบวชอย่างเดียวพระเจ้าเรโนก็บอกว่าถ้าว่าอย่างนั้นแม้เราก็จะบวช ด, ด้วยคือขนาดว่าโควินทพรามยิ่งใหญ่ขนาดนี้เนี่ยนะน้อมไปเพื่อการบวชไอ้การบวชนี่ต้องดีแน่นอนถ้าไม่ดีขนาดนี้ผู้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้เขาคงไม่เอาแล้วเขาไปเห็นพรมมาแล้วด้วยว่ากันนั้นแสดงว่าการบวชนี่ประเสริฐมากอันเดี๋ยวข้าพเจ้าจะบวช ด, ด้วยแต่รอหน่อยก็แล้วกันเท่าไหร่ดีเจ็ดปีบอกไปได้แล้วก็ คิดไดว่าตรอรองกันเหลือเจ็วันเออเจ็วันพอรอได้นะนะก็เลยรอเจวันก็ลากษัตริย์อีก6องค์นะพระราชาสัตตภูเป็นต้นก็ออกบวชพราหมณ์มหาศารอีกเจคนบริวารอีกเจ็พระอยภยาอีกสี่สนางทั้งหมดนั้นก็ขอบวชทั้งหมดนั่นเลยในที่สุดก็บวชบวชคือว่าการบวชเช่นกับมหาพิเนศกรมชนเหล่านั้นทั้งหมดมีพระราชาเจองค์เป็นต้นก็บวชตามพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็มีบริวารใหญ่ อันนพระมหาบรุษัทในแวดล้อมไปด้วยบริษัทเที่ยวจาริกแสดงธรรมอยู่ในคามนิคมชนบทและราชธานีถึงไม่บวชคนก็นับถืออยู่แล้วเนี่ยนะประบวชมาคนก็ยิ่งนบับถือท่านก็แสดงอัดแสดงธรรมสอนอัดสอนธรรมยังมหาชนให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญกุศลที่ใดที่พระโพธิสัตว์ไปที่นั่นก็เหมือนกับพุทธกกราหเหมือนพระพุทธเจ้าเสด็จมาทีเดียวเลยนะยิ่งใหญ่เหมือนกันเรียกว่า สำนวนว่าชื่อเสียงเรียงนามเนี่ยยิ่งใหญ่เท่ากับพระพุทธเจ้าแต่ว่ายังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพวกมนุษย์พอได้ฟังคำว่าโควินถ้าบัณฑิตจากมาก็พากันสร้างมณฑบไว้ล่วงหน้าตบแต่งก่อนในมณฑบนั้นแล้วก็ต้อนรับนิมนต์ให้เข้าไปยังมณฑบอังคาาถวายด้วยโพชนะมรีรถเลิกต่างๆ ล, ลาบสการะใหญ่ก็เกิดท่วมทับดุดห่วงน้าใหญ่ท่วมก็ ปกติท่านก็เป็นนักมหาทานอยู่แล้วใช่ไหมนักมหาทานเนี่ยคนที่ให้จริงๆแล้วเป็นคนที่ไม่เดือดร้อนในเรื่องปัจจัยสี่ไปที่ไหนก็มีแต่คนต้อนรับมีแต่คนเชื่อเชิญเพียบพร้อมไปด้วยลาบสการะแต่ขณะนั้นท่านก็ไม่ประมาทพระมหาบุรุษยังมหาชนให้ตั้งอยู่ในบุญกุศลเนีย่ยนะท่านตัวท่านเองเนี่ยบวชอยู่ไม่กี่วันท่านเหาะได้นะท่านเหาะท่านเหาะแสดงธรรมซะสวนใหญ่เนีย่ยนะ มันใครมีอคุศลวิโตกท่านก็ไปท่านก็ไปแนะนําว่าแบบนี้ไม่ควรคิดควรคิดแบบนี้คิดอย่างนี้แล้วดี<ม>เป็นต้นเนี่ยนะท่านก็นั่งอยู่บนอากาศแสดงธรรมนะมันท่านจึงสามารถสอนให้คนตั้งอยู่ถึงพร้อมด้วยศีลอินทรีย์สังวรรู้จักประมาณในการบริโภคประกอบความเพียรก็คือที่เรียกว่าอะไรนะจารณ ะ, ะนะประพฤติอยู่ในจารณะใช่ไหมศีลอินทรีย์สังวรโภชเนมตันยุตาชากริยานุโยก และอันนี้ถือว่าเป็นบาตรแก็สอนให้เจริญกสิณเจริญฌานเจริญอภินยาเจริญสมาบัติแล้วก็เจริญพรหมวิหารเขาถือว่าพรหมวิหารเนี่ยสุดยอดในสมัยนั้นนนะทั้งฌานสมาบัติพรหมวิหารนี้ถือว่าเป็นทางแห่งพรมหมโลกเขาถือว่าพรมหมโลกเป็นนิพพานผู้ใดที่เจริญสมาบัติเจริญพรหมวิหารผู้นั้นก็ปฏิบัติอยู่ในทางแห่งพระนิพพานเขาก็เชื่อกันว่าอย่างนั้น ซึ่งพระองค์ตอนหลังพระองค์ก็ปฏิเสธว่าทางนั้นไม่ใช่เป็นไปเพื่อเบื่อหน่ายไม่ได้เป็นไปเพื่อคลายกําหนัดไม่ได้เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งไม่ได้เป็นไปเพื่อความตรัสรู้ไม่ได้เป็นไปเพื่อปรินิพานแต่ทางคืออริยมรตมีองค์แปดที่ตรัสรู้ตอนเป็นพระพุทธเจ้าอันนี้แหละเป็นทางที่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเป็นไปเพื่อคลายกําหนัดเพื่อความตรัสรู้เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อปรินิพาน <c oughs> สรุปว่าท่านนั้นเป็นผู้ที่มีสาวกมากมายสอนเป็นผู้ที่สั่งสอนประชุมชนพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีอยู่ตราบเท่าอายุไขยังการเวลาให้น้อมล่วงไปด้วยสุขที่เกิดจากสมาบัติในชาตินั้นเมื่อสิ้นอายุก็เกิดในพรหมโลกการประพฤติพรหมจรรย์ของพระโพธิสัตว์นั้นมั่นคงแพร่หลายรู้จักกันเป็นส่วนมากหนานเน่นจนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายประกาศดีแล้ว สิ้นการยาวนานทั้นลัทธิของพระพธิสัตว์ที่สอนไว้สอนในทานศีลภาวนาสอนในพรหมิหารเป็นต้นก็เป็นาศาสนาที่ดำรงอยู่นานเขาจึงเรียกว่าโควินทาศนาสดาก็คือาศาสนาของท่านมหาโควินทพรามก็สอนอยู่นานผู้ใดรู้คำสอนปฏิบัติตามคำสอนของพระพธทสัตว์โดยสิ้นเชิงผู้นั้นตายไปแล้วก็ไปเกิดในพรหมโลกอันเป็นสุขติภพ ถ้าผู้ใดไม่รู้ทั่วถึงปฏิบัติตามไม่ได้ทั้งหมดนั้นนะนะพวกนั้นก็เป็นสหายของปรณิ ม, มิตาวสวัสดีบางพวกก็นิมมานรดีบางพวกก็ดุสิตบางพวกก็ยามาบางพวกก็จาตุ ม, มหาราชิกาผู้ใดที่ตกต่ำกระเพื่อนเกิดเป็นเทวดานักร้องหมู่คนทันก็คือพวกเทวดานักร้องนะตีฉิงเป่าปีอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะนะมหาชนโดยมากก็เข้าถึงพรหมโลกและเข้าถึงสวรรค์ด้วยประการชนนี้ เพราะฉะนั้นเทวโลกพรหมโลกจึงเต็มไปหมดอบายสี่มือนจะศูนย์ว่างนั่นนะเพราะว่าผู้ที่ไปสวรรค์มีมากกว่าไปอบายพระราชาทั้งเจ็องค์เนี่ยถามว่าคือใครก็คือพระมหาเถระทั้งหลายในบัดนี้และบริษัทในสมัยนั้นก็คือพุทธบริษัทมหาโควินทพรามก็คือพระโลกกนนาตพระพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งของโลก เพิ่งประกาศคู่นานุภาพเป็นต้นอย่างนี้คือการปฏิสถานในรัชการของตนของตนโดยไม่ผิดพ้องมองใจกเออไม่ผิดพ้องมองใจกันและการของพระราชาทั้งเจองค์มีพระราชาเรนุเป็นต้นอันนี้คือความสามารถพิเศษที่ทำให้ไม่มีการเชิงราชบัลลังก์กันกษัตริย์ไม่ทะเลาะเบาะแวงกันทำให้บ้านเมืองสงบร่มเย็นในในสมัยที่ท่านยังรับราชการอยู่เนี่ยนะ ก็ประเทศชาติบ้านเมืองไม่มีศึกไม่มีสงครามไม่มีภยัยไม่มีอันตรายโอ้ถือว่าเป็นความพิเศษขนาดไหนเนี่ยนะถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะเป็นไปได้โดยง่ายนยถือว่าเป็นเรื่องที่ยากมากนะใครจะทำได้นะที่จะทำให้บ้านเมืองสงบร่มเย็นไม่มีศึกสงครามขณะเดียวกันท่านเมื่อเป็นใหญ่เป็นโตอย่างนั้นก็ไม่ประมาทในการถวายอนุสสต สอนอัดสอนรมแก่พ ร, ราาพระราชาทั้งเจดเหล่านั้นในรัชกาลอันใหญ่หลวงขณะเดียวกันท่านก็เป็นผู้ที่ได้รับเสียงสรรเสริญไปแล้วอย่างนี้ว่าพระโพธิสัตว์สามารถสนทนาแม้กับพรหมอันนี้คุณธรรมความพิเศษอันหนึ่งนะชื่อเสียงโด่งดังไปตั้งแต่ยังไม่เห็นพรหมอ่ะนะแต่คนเชื่อว่าพระโพธิสัตว์คุยกับพรหมได้ ว, ว่าสื่อสารกับพรหมได้ ขณะนั้นหลังจากที่ท่านสนทนากับพรหมเสร็จท่านก็ประพฤติพรหมจันท ร, ร์อย่างยอดเยี่ยมอย่างยิ่งตลอดสี่เดือนเพื่อทําความจริงจริงอยู่คนนับยกย่องว่าท่านคุยกับพรหมได้ท่านก็ปฏิบัติเพื่อให้ให้มีการสนทนากับพรหมได้ตอนหลังท่านก็ประพฤติพรหมจันท ร, ร์เพื่อให้เข้าถึงพรห ม, มโลกนะเพื่อให้ให้เป็นพรหมด้วยตัวเองสําเร็จท่านก็ปฏิบัติอยู่ในทางเพื่อการ ปฏิบัติอยู่ในหนทางเพื่อความเป็นพรหมท่านก็ไม่ประมาทสั่งสอนผู้อื่นในในอนุสาสนีให้ผู้อื่นนั้นปฏิบัติอยู่ในหนทางแห่งพรหมโลกแต่แต่ที่หน้าหน้าคิดอีกอันหนึ่งเนี่ยนะหลังจากที่พรหมสอนท่านสามารถทิ้งลาบสการะได้คเรียกว่าตําแหน่งใหญ่กว่าพระราชายิ่งใหญ่กว่าพระราชาเพราะว่า มหาโควินทภามเนี่ยนะพระราชามองเห็นพระราชาต้องยกมือไหว้อะต้องกราบต้องเคารพอะยิ่งใหญ่ขนาดนั้นนะแล้วก็ไม่ใช่พระราชาเมืองเดียวด้วยเจ็ดเมืองใหญ่ๆ่เลยนะเหมือนก็ว่าแผ่นดินทั้งหมดนี้อยู่ในเงื้อมมือของท่าน น, นนะท่านทิ้งลาบสการะเหล่านั้นทั้งหมดที่พระราชาและชาวโลกนําไปถวายนําไปให้เหมือนถมน้ําลายทิ้งจะทำได้ไงนะเหมือนถมน้ําลายทิ้งยึดมั่นอยู่ในบรรประชา อันเป็นเครื่องหมายของการบวชเมื่อบวชแล้วบริษัททั้งหลายมีกษัตริย์พราหมณ์เป็นต้นก็บวชตามบวชหานับไม่ถ้วนนี่นะผู้ที่บวชตามนับไม่ถว้วนการติดตามคำสอนของตนดุดคำสอนของพระพุทธเจ้าตลอดกาลนะคำสอนของมหาโควินตพรามเนี่ยยืนยาวเหมือนพุทธศาสนาเลยนะคำสอนเหล่านี้ดำรงอยู่ในโลกได้นานมากสอนในเรื่องฌานเรื่องอภิญญาเรื่องสมาบัติเรื่องอ พรหมวิหารเนี่ยท่านสามารถสอนศาสนาของท่านดำรงอยู่ได้นาน <c oughs> อันนี้ก็เป็นอีกบารมีหนึ่งที่ยกย่องในเรื่องทานว่าท่านสามารถเป็นผู้ที่ให้ทานทั้งๆทีท่น้อยคนนักที่สามารถให้ได้อย่างนี้ขณะเดียวกันท่านก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่ทานาแค่ทานท่านยังประพฤติศีลเจริญพรหมวิหาสรสรุปว่าชาติที่เป็นมหาโควินทรพรามกปปป็ประพฤติ บารมีได้ทั้ง10ประการ